คืนที่ผ่านไปถ้าหากเราสำละฝ่าสางใจเดี๋ยวจิเดี๋ยวธรรยาเดี๋ยวธรรมะของพระพุทธเจ้านับวันนับคืนที่จะสะอาดสงบล้างน้ำดับที่เหลือไปนี่การปฏิบัติธรรมะการศึกษาธรรมะอย่าไปมองเห็นแบบธรรมะอยู่ที่อื่นจิตอยู่ที่อื่นจะมาที่อยู่ที่อื่นธญรมยายืมมดอยู่ที่อื่น ให่เห็นหลายอย่างตัวของตัวแถานั้นที่เปัญหาก็เนมือนกันหากไปเห็นอยู่ที่อื่นแล้วมันมีรั้นเวลาที่จะทําละขาดได้พยายามที่นี่พิจาศึกษาแต่ปฏิบัติตายร่ายใจของตัวนี่คือการปฏิบัติทําที่พระพุทธเจ้าสอนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติบ้า ยังเนี่สายเกินไปเพราะเรายังมีลมหายใจอยู่มีจิตที่รับรู้มีเชื่อผิดผูกฉะนั้นขอทุกท่านจงนำธรรมะเสียชี้บายมาไปที่นิพพานศึกษาตั้งหน้าสำละสิ่งที่ชั่วออกไปจากกายจากใจพยายาม <c oughs> ทำจิตทำใจให้เขาถึงธรร ม, มะทวามสุขความสบายที่เร า, เาเไม่เคยคาดฝันจะเกิดขึ้นในจิตในใจของตนการอธิบายธรร ม, มะเห็นว่าพอสมควรแต่เวลาพอยุติเพียงเท่า น, นี้ธรร ม, มะันเป็นของเก่า ของใหม่พ <c oughs> ูดบ่อยอยู่ของเก่าเหมือนเราทานอาหารเราก็ทานลงที่เก่าทาวานเก่าแต่ร่างกายจะเจ็โตขึ้ น, <c oughs> นการพิจารณาธรรมการปฏิบัติธรรมะคนนี้ปฏิบัติไปที่ใหม่ปฏิบัติที่กายที่ใจเหมือนเดิมแต่ที่ว่าปฏิบัติเรื่อยไปทำสนานของใจ ความสันขึ้นสิตใจทีเคยปุงจึ้งจิดคล่องต่างๆก็ควรสงบแล้งับไปเพราะการสัาน์ของใจใจมีกำลังอาศัยธรรมะที่เราที่มิพิจารณาแก้ไขจีเิตต์ปัญหาภายในใจก็เลยจเจริญขึ้นการขุด ธ, ธรรมะประวดเรื่องของเก่า อยู่เร่องกายเรื่องใจของเก่าไม่มีธรรมะใหม่ทุกข์ก็คือทุกกายทุกใจทุกข์ก็คือสุกกายสุกใจเรื่องของโลกเรื่องของธรรมมันเหมือนเหมกันบางท่านบางคนพอเพื่ปฏิบัติไปเกิดความถอดถอยอ่อนแอ ปฏิบัติยากลำบากจิตใจเสื่อมจิตใจไม่เจริญก้าวหน้าแต่ตอนปฏิบัติใหม่ใหม่รู้สึกว่ามีสติสุขใจเย็นใจพอปฏิบัติไปปฏิบัจิตใจเศาหมอสติมีความยินดีมีศรัทธาอยากเกพิตปฏิบัติมันเป็นไป เรื่องของใจเหมือนเรื่องของโลกเรื่องของโลกกับธรนองเดียวกันมีขีดสูงที่ต่ําที่รุ่มขีดดอนเราจะไปจิตอยู่ว่าขีดนี้มันรุ่มม่อยากเดินมันก็ไม่ถึงขีดนี้มันสูงเราจะเดืดอยู่มันก็ไม่ถึงอีกเหมือนกันจิตใจที่เสื่อมจิตใจเดินนั้นก็ทํานองเดียวกันมันเป็นอาการของจิต แตปฏิบัติในเร้่งเกิดเหตุการณ์อย่างจิตของตัวก็มีชาวแบมันดีมันชั่วมันเส่อมมันเจริญแต่เรามาปฏิบัติก็ทราบเวลานี้เป็นอย่างนั้นเวลานั้นเป็นอย่างนี้นี่คืออาการของจิตแต่นหน้าที่ของเราที่จะปฏิบัติขอจ้างหน้าปฏิบัติให้คงเส้นคงวาอยากปฏิบัตินี่มันชั่วแล้วมาอยากจะปฏิบัติ มันเจริญจนจะอยากปฏิบัติชาะักทำคำนองนั้นมันถึงจุดหม้าตายพายหน่ได้พอเรื่องเสื่อมเรงเจริญจนเรื่องอาการของจิตในตัวของจิตผู้มารู้ว่าเสื่อมว่าเจริญนั้นมันเป็นอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่ความเสื่อมความเจริญเป็นตัวของจิตของใจเป็นอาการของมันเท่านั้น แล้วการดางนั้นหน้าที่าปปาาาการประชิปฏิบัติของตัณหาต่างๆประชิปฏิบัติไปจนมันหมดด้วงเสื่อมด้วงจะเริ่มด้วงดรื่อ ง, อ ง, อ ง, อ ง, องชั่วของใจอย่างนั้นดังนี้อยู่เสื่อมมันก็เสื่อมไปตามหน้าที่ของมันจะเริ่มก็จะเริ่มขึ้นตามหน้าที่ของมันเราม่ต Bug ื un, ่นเต้นในทอดท้อยในอทอดทุในการปฏิบัติภาวนาของตัว ทราบเรื่องของมันเข้าใจเรื่องของมันว่าอันนี้มันเป็นแต่จิตแต่แสงของจิตเนี่ยแต่ตัวของจิตจริงจังแต่มันจะทราบจะเข้าใจได้อย่างนั้นมันก็ยากลาบากอยู่ถ้าหากไม่รู้ไม่เห็นจากตัวของตัวเองจากคนอื่นแม่สอนมันก็ไม่คยจะเข้าถึงใจได้เพราะใจสิมันเสื่อมมันไม่ยินดี พอ ใ, ใจอยากเดินจงกรมภาว น, ะนาพอใจอยากจะคิดใกลอ้อกธรรมนี่เลอยากจะเพนงจะคิดไปเรื่องของโลกของเรื่องต่างๆ่นุนี้อมความระวั ง, ง, วงสงวนจิตใจอย่างทราบความเป็นไปทั้งใจตัวเองที่เราทราบว่ามันเสื่อมมันจเจริญนั้นอะไรเสื่อมเรามีสติดีขึ้น เราจึงทราบแต่ ก, ก่อนมันก็เป็นม า, า ก, าากเกี่ยงไหนจะไรแต่เรามไม่เกียงตาผู้เจริามันโดยเนื้อสบวะจึงเหล่านี้มันมีมาก่อนเนี่ยเรามาปฏิบัติมีสติดีขึ้นก็ลนนนเลยทราบว่า อ, อันนี้มันเสื่อมอันนี้มันเจริญเจรมันเกิดปัญญายสามารถ ในตัวว่าความเสี่ยงความเจริญเป็นอาการของจิตเวลาเสื่อมก็่าไม่มีใครที่จะมาเอาความเสื่อมมาให้มันเป็นไปจากอาการของมันต่างหากไม่ใช่ตัวของจิตเวลาเจริญกว่เหมือนกันไม่มีใครคนไหนที่เอาการเจริญมาให้มันเป็นไปของมันเหมือนกันกับเราขบฉันหรืรับทานอาหาร อาหารที่เราเคยรับทานบางครั้งบางฟาลมาเกาะอร่อะไร่อบางครั้งาาบางฟาแล้วเกาะแต่กว่า ม, มีรสชาติให้ทั้งทั้งจิตอาหารที่เราเคยทานอยู่นั้นเรื่องของโลกมันจะเป็นไปอย่างนั้นเรื่อ ง, งของจิตใจก็ทํานองเดียวกันว่าอาหารอันนี้มีรสชาติไราจะหนึ่งรับทานไปเลยร่างกายของเราล่ะจะเป็นอย่างไรจะยืดได้ไหม ถาหากเราไม่รับทานลงไปตายลงไปมีเรื่องหล่อเลี้ยงเยหนือเหนื่อยเหนื่อยหิวลำบ า, ากอยากเย็นเย็นทุกถึงนั้นจะไม่อริดอร่อยแต่ว่ทานไปเสื่อยางกายตั้งอยู่เดินการปฏิบัติอัจทำก็ทํานองเดียวกันถึงมันเสืเราก็ไปเสื่อยงางกระพือปฏิบัติรอยไปหนาขี่เขา การปฏิบัติเนี่ยได้ย so ังมีลมหายใจอยู่ตั่งหน้าสั่งตาเพื่อเพื่ปฏิบัติรักษาเกียงเหตุเกิดปัญญาแจ่มใสขึ้นในจิตในใจความเสื่อมความเจริญนั้นมันเป็นอาการต่างหากไม่ใช่เรื่องของจิตจริงจังในหน้าที่ที่จะไปเึืปฏิบัติก็เพื่อปฏิบัติเรลื่อยไปในอ่างการเวลา ไม่อยามันเสื่อมไม่อยากไปที่บัตรไม่อยามันเจริญ อ, อยากเจ็บไปที่บาตรไปที่บาตรเรื่อยๆตามหน้าขี่ของเราเหนือใดยังมีลมหายใจอยู่เหนือใดจิตยังรู้ยังไหมดเจรลญเราจะต้องทํารื่ยไปทํางานเหมืนอนการอันนุญาตสิ่งเอาไว้แล้วมันจะเสะร็จเหนือไรดถ้าเราสิ่งไว้ ไม่ทำมันก็มีการเกิดขึ้น ง, งานกี่ไรสิ่งไว้มีการอยากลำบากแล้วไปต่อฝ่าละเลยหนึ่งแต่ทาบําเพ็ญมันกนมีวันเวลาที่จะเกิดขึ้น ไ, ไ ด, ได้จะเยุดเย็นไปได้จะสงบ ไ, ได้แต่นั้นตอนน้องมีอุบายสอนใจของตัว <c oughs> มีเหตุการภาวนาการท่าความเพียร เรื่องของใจมันเป็นไปทำนองเดียวกันกับเรื่องของโลกมันมีทิศแตกแต่ต่างกันถ้ามีปัญญาทิจารณาแล้วสามารถเข้าใจเรื่องนอกเรื่องในเหมือนกันหมดถ้าไม่มีปัญญาจะตื่นเต้นเห็นจริงที่ตัวปัถนาก็ชอบใจยินดีเสื่อมเนเห็นจริงที่ไหนปัญหาในต้องการก็เหี่ยวแห้งหมดเหงือ เฝ่ามองเหน็นเส้นดวงควรฝึมีปัญญาหมือนสามารถที่จะเจหายใจของตัวได้อะไรจะต้องหมั่นพิจิเจนาปัญญามันจะเกิดขอเพราะเราใข่คิดๆจเีเจนาการจีเจนาร่างกายเยียดแยะเปลี่ยนนั้นเปี่ยนนี้จีเจนาอยู่เรื่อยๆปัญญามันจะเกิดขึ้น อย่าไปคิดว่าเราเคยที่เจอนามาแล้วปล่อยปะละเลยไปเพราะอันนี้เคยที่เจอนามาแล้วถ้าไปทําทํารองนั้นมันไม่เกิดเป็นหนี้กัญญาเราะทํานาทําสวนเขาว่าทําที่ยินขอเก่าปีไหนก็ทํำของเก่าแกข้าวของที่เขาได้ก็ได้จากที่เขาปลูกเขาฝังลงที่เก่าเขาไม่ไปเปล่านานี้เคยทาแล้ว ทีนี้จะไปทำที่ใหม่แต่อย่างนั้นเรามีแผ่นดินทำมีการพิจารณาอัรทำเสื่อสอนใจจะทำนองเดียวกันพิจารณาไปอยู่เรื่อยๆถ้าจิตยังคล่องยังจิตในเรื่องของกายจะพิจารณาตายไปเรื่อยๆเจนมันพอเรื่องของมันนั้นในจองบอกมันทราบจากตัวของเราเองจะพิจารณาไปทำไมเรื่องของกาย มันเข้าใจชัดเจนเข็ยนไปจักว่ากายอันนี้จึงจะเป็นหุ่นเป็นธามันมเคยหยาดเคยต้องการเคยเดือดร้อนวุ่นวายกับอะไรเราจะปล่อยมันไว้มันก็เป็นไปตามแนวที่พวกมันถึงเวลาแฉาะกับเฉไปถึงเวล า, วลาแตกสลายก็แตกสลายไปเดี๋ยวกายอันนี้ไม่มีราคะตันหาไม่มี อริชาอุปาทานอะไรใจถี่ไปรุ่มหลงต่างหากมันเป็นเกิดขึ้นต่างๆนานาห น, น, นี้ชาหักวันทราบเรื่องของกายเพียงพอมันเป็นอย่างนั้นจะได้เชยนา ม, นมันมันไม่ยอมที่เชยนาเพราะเรื่องของกายมันทราบว่าเป็นธาตุต่างหาเป็นหินต่างหา ใจท่านั้นเป็นผู้รุ่มถือผู้หลงมันเห็นชัดเจนอยู่ในนั้นนี่คือจิตที่ตัวพืชปฏิบัติเพียงพอในเรื่องของกายมันไม่เอาเหมือนกันกับข้าวปลาอาหารที่เรารับทานถึงรสชาติมันจะเอร็ดอร่อยคงเส้นคงวาอยู่กือบตามถ้าเราอิ่มแล้วของนั้นมันเหลืออยู่แล้วทานไม่ได้ มีกายมันเหยว อ, อยู่กับพิจเอนนาไม่ได้เพราะมันพอเหลื่อมท้องกายมันจะต้อ ง, ของเข้าพิจเอนนานามธรรมความละเอียดเข้าไปอย่างเรืชนาสัญญาสังขารวินดานภายในนี่เป็นเรื่องละเอียดเข้าไปเพื่อจะแก้ไขขับไล่ความหลุ่มหลงท้องใจใจที่หลุมหลงตื่เกิดราชาตัญหาต่างๆมันเกิดมาจาก สัญญาอารมณ์ความหมายความปรุงคลองใจอารมณ์เป็นเรื่องสำคัญทำให้จิตใจดีชั่วหลุ่มหลงไปได้อารมณ์มันเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากสังขารคือความปรุงชิดของจิตคลองใจปรุงชิดไปในทางชั่วทางเสีย มันก่อกำเนิดเกิดฐานไปในทางคิดเป็คิดใจในทางอัดทางทำมันก่อสงบเยือกเย็นสุขสบายใจในทางทำได้นี่คือเรื่องสังฐานสังฐานมันเกิดมาจากอะไรล่ะมันก็เกิดมาจากอริชาคือความหลงข้าใจความหลงของใจเป็นเรื่องสําคัญ เราจึงแก้ไขเรื่องของใจจะจะให้มันรู้มันเข้าใจอยู่ตลอดเวลาในมีอะไรที่จะเป็นไปเสียดีเสียดชั่วนั้นมันเป็นไปไม่ได้เนื่อยังมีอริชาสอบงํามหรือเนือใดมันจะต้องเป็ีนไปตามเรื่องของมันบางทางบางค้าติดีบางสั่งบางค้าก็เสียหาย เพอปัญญาติดตามไม่าทันและงับดับไม่ได้มันจะต้องเตืนไปอยู่อย่างนั้นจดดึงมีการปฏิบัติอยู่เรื่อยๆจนมันหมดเกียความลุ่มห ล, มลมทงทำลายอริชาป <c oughs> ัญหาอุปทานภายในใจดับลงไปขาดลงไปนั่นไม่ต้องบอกไม่จะไปพิปฏิบัติอย่างไรอีกมันจะรู้จะเข้าใจ ในตัวของตัวเองฉะนั้นการปฏิบัติจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนการปฏิบัติตัวคงตนให้สุขให้สบายให้สงบล่างนัอย่าไปตื่นเต้นเกี่ยความเฉื่อยความเจริญของใจตั้งหน้าแต่ยึดปฏิบัติให้คงเส้นคงวาเรื่อยไปทิ่เจณกายให้ถั่วให้ถึงเพรใจมัน ปิดม <uh> <c ười> ันคล่องมันหลุ่มมันหลงออกเปลือกมันออกเสียก่อนมันจึงไปเห็นปลาของมันทุกบะลาของมันจึงไปเห็นเนื้อเห็นน้ํา้ำข้ามันมีทั้งเปลือกทั้งะลาเนี่ยนะมันอยู่ในนั้นจิตใจของพวกเราท่านก็เหมือนกันการชี้แจงนาการก็เพื่อจะให้เกิดอุบายให้ใส่ใจตามเป็นจริงทุบมันออกเพราะมันออก เดือกมันหลุดออกแล้วมันเดืออะไรทียังอยู่แล้วจะทราบอีกครบอันนั้นตี อ, อันนั้นอีกมันแตกออกไปเห็นอะไรออกไปอีกมันจะเห็นหนีกาปรปฏิบัตรทางศาสนาะมันรู้มันเห็นมันจนขึ้นจากตัวของตัวทราบดีนะคราวนั้นเป็นอย่างนั้นคราวนี้เป็นอย่างนี้ ปัจจุบันเป็นอย่างไรก็ทราบอีกจึงควร ม, มีสติดูแลรักษาจิตใจของตัวมีปัญญาแ้ยสอนอยา่าลอยใจเห้ลอยไปตามปัญญาอารมณ์ต่างพยายามหักห้ามอารมณ์เส่วนใดที่ยั่วยุทำจิตทำใจให้หาวาวุ่นขุนมัวให้เกิดทีเรเยรปัญหารีบ ห้าแหมหรือตำละโดสติโดยปัญญาของตัวมันเกิดความหล่มหลงมัวเมาเกิดเชิงใช่ไหราชาปัญหาก่อนที่จะมาอุิธาอริพังอานิจจังอนัตตาให้ทพ่อให้ถึงเข้ามันเกิดความโลภอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้ไม่มีเมือง พอดีพองามมีเจยากได้หุนไห้อยู่ตลอดเวลาก็ให้มีปัญญาแนะนความอยากอันนี้ก็ให้เกิดทุกเกดดิดโทษถึงอยากเท่าไรก็ไม่มีใครหาบหามหอบหี่ยวไปได้ได้มาแล้วก็เป็นหน้าที่แต่ต้องงวนได้รักษาเมื่อมันหายไปก็เกิดทุก ภายในใจของตัวแค่จิตไปยึดไปถือเป็นของของตัวแต่ถึงจะยึดจะถือจะล้งจะไหลขนาดไหนสิ่งที่เราได้มาสมบัติของโลกมันจะเป็นของโลกอยู่อย่างนั้นมันหนึบจากเราในเหนือเวลาจะมีลมหายใจอยู่เราก็จะจากมันที่จะตายหนีจากมันในนี้อะไรที่จะได้ จิตต่อหอยตามตัวของตัวไปพเยนาแจกไข้ควาร้าใจของตัวเรามาศึกมาภาวนามาศึกษาอารมณของจิตเสื่อนได้จิทัวชิวฉิบฐานีกสจินั้นก่อซาก่อละก็ขึ้นออกไปเสื่อนได้จีทำจิตทำใจให <c oughs> แขงใสให้สหอาดต้องพยายามทํำในสิ่งเหลนั้นดูอาการภายในดูใจของตัวเองนี่คือการปฏิบัติทหารไปแต่คุปต์แต่งเอาภายนอกมันก็ไม่ถูกไม่สบายให้วุ่นวายด้วยไปทำแบบนี้มากอะ เราเข้าถึงทำจริงจังแต่อาการย์ต้องทํามันมากจะพูดไปตลอดวันตลอดคืนมันก็ไม่จบใน่สิ้นเพราะทำแปดหมืน่นสี่พันถ้าทำมาขันนั้นมันมากแถนที่จะมากเพราะท่านไปพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ทุกสิ่งทุกอย่างไปเพราะสาวกหนึ่งพัน สเรื่องของธรรมรูู้้เรื่องของธรรมจะมาพัดทานพัดทานว่าอันนี้พระพุทธเจ้าทําไมในบ่งบอกเอาไว้ยิ้มใสของพระพุทธเจ้ายังจรศาสดาท่านจึงบัญญัติเอาไว้ทุกสิ่งที่ไปเจตการไปเพื่อจะให้ชาวกหายสงสัยว่าตอนนั้นท่านทําไมพูดเจนนี้ท่านทําไมให้พูดทำไมเห็นไม่เจนหรือจะเกิดสงสัยในพระพุทธเจ้า นี่ท่านจึงบัญญัติเอาไว้ทุกแหน่ทุกทุกตะโงไปถอยเดินลงมายินจังแล้วทำก็เหมือนต้นไม้ล้วจะพูดถ้าคนเห็นเดือดกังต้นไม้ท่า น, นั้นมันจะพอทราบแต่จะไปบรร ย, ยายเกี่ยวกับที่แก่นของมันริงเล็กกิ่งใหญ่ใบอ่อนใบแก่มันหน้ มากแสนจะมากนี่ทำก็บทำลองเดียวกันมันมีมากมันเกิดไปจากที่ไหนใบไม้กลิ่นไม้มันเกิดไปจากรังต้นของมันนี่ที่เรดปัญหามรคผลก็เกิดขึ้นจากใจของตนไม่ได้เกิดไปจากที่อื่นอากาศกินยาี่มันจะแสดงใจมันมากพยายามขุดคน้นพิจารณา ใจให้เพียงพอตัดต้นเท่านั้นเนี่ยมันก็ตายไปหมดหญิงใบหนึ่งต้องไปตัดนี่เราพยายามรักษาใจของเราทำลายอวิชชาปัญหาภายในใจของเราขาดสิ้นไปจากสิ่งเหล่านี้ไม่มีอะไรจะสงสัยรูปเสียงเรื่องราวต่างๆภายนอกมันก็ดับไป แต่มันดับมันยังมีอยู่แต่จิตมันไม่ไปจิดไปคล่องไปยึดไปถืออย่าสิ่งเหล่านั้นมันมีความจริงอย่างไรมันก็เป็นไปตามฐานะหน้าที่ของมันเราไม่ได้ไปหลงวุ่นวายเกี่ยวข้องนี่คือปัญญาตายาภายในใจเป็นมีมุตอะไรก็เลยหลุดเลยพ้นไปหมดทั้นช้นสิวอยู่ในโลกแต่ก็ไม่จิดใน่คล่องในโลก พอจิตใจของท่านรู้ตามเป็นจริงเห็นตามเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสิ่งที่เป็นรัตถุทั้งสิ่งที่เป็นนามธรรมทั้งสิ่งที่มารู้พวกเหล่านี้ไม่มีอะไรจะสงสัยอยาจะละจะบำเพ็ญแบบไหนกันอีกมีชื่อชื่สุดของอาดของธรรมที่ท่านสาธิตปฏิบัติเห็นเป็นในจิตในใจจึงไม่มีการสงสัย แต่พวกเราทุกคนที่มาประบัติปฏิบัติเป็นข้องจนยังไม่ถึงจิดไม้ปลายทางอย่างนั้นก็พยายามรีเ้เรื่องแต่ทาบำเพ็ญที่เจนาตายที่เจนาใจเรื่อยไปอย่าไปปล่อยวันเวลาให้เป็นหมันพยายามบังคับบัญชาที่เจนาเพื่ออัดเพื่อทอําเมื่อที่เจนาเรื่อยไปใจเสียเจเสารมองขัดข้อง ต, งต่าง มันจะจะดองใสจะตัดขาจากความหัดข้องยื่นวายปลุก ส, สบายเย่อนเยินเกิดปัญญาละถอนสิ่งที่จุดข้องต่างๆขึ้นเพราะปัญญาเถา น, นั้นที่จะฟาดฟันตัดปัญญาอารมณ์จี่เดือดปัญหาในใจเรื่องอันอื่นจงพากันที่นี่พิจาณาศึกษาปฏิบัต ดูจิต ด, ดูใจของตัวอยู่ตลอดระยะเวลาสัญญาอารมณ์ติี่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นเป็นอะไรกันเป็นฝ่ายกุศลหรืออกุศลเป็นฝ่ายที่พระพุทธเ จ, จา้าทรงให้ละหรือทรงให้บำเพ็ญเปลือ ต, ตาที่เยมาอยู่นั้นเพราะทุกคนมีอารมณ์ทัญญาเกิดมาอยู่ ในขาดระยะพอตื่นนอนมาไม่ก็ทราความคิดความปรุงของใจหนีเราไม่ได้เกิดเจาะไมไ่ตั้งใจไมได่ดูภายในจึงไม่ทราบเรื่องของธรรมว่ามันเป็นอย่างไรเกิดขึ้นอย่างไรดับไปอย่างไรอะไรเป็นภัยอะไรเป็นคิดเป็นโทษ อะไรเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนมันไม่เห็นใน็นในตัวหยวไปฟังคือฟังอาจารย์ฟังนักเทศน์พูดจึงว่าเดี๋ยวฟังเทศฟังธรรมแต่ความจริงเทศธรรมนั้นมันมีอยู่ในพวกเราทุกท่านมันไม่ได้อยู่ที่อื่นมันเกิดขึ้นจากตัวข้องตัวทางนั้นไม่ว่าวิเลตปัญหามานะจิติ อริชาตันหาอุปาทานทุกโทษต่างๆหมายว่าเหี้ยสมาธิปัญญาวริชาริมุมันเกิดขึ้นจากภายในจากใจของตัวถ้าหากดูอยู่ภายในดีชั่วผิดถูกมันจะต้องรู้ต้องเหตุ น, นี่ไม่เด้๋ยดูภายในเดีวดูใจตัวเองมันจริงเดือดร้อนวุ่นวายขัดข้อ ไปวัดไปวา ไ, ไปหาพระหาเจ้าก็ไม่เลยฟังอัดฟังธรรมอะไรก็เฉพาะตัวไม่มีทําอ่านทําไม่ออกฟังธรรมไม่เป็นจะ ไ, ได้ไงโดยฟังไม่ได้เห็นเรื่องของธรรมความจริงธรรมมันมีอยู่แต่เราดูเราฟังจิตผูกกับพฤ่อปฏิบัติจึงควร ม, มีสติมีปัญญา กำหนดดูจิตใจของตนอยู่ทุกระยะธรรมะจะเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆในขาดวัดขาดตอนขาดเส้นขาดสายอยู่ไปบธรรมที่ริถขี่มีอยู่ก็เป็นก่อนของธรรม้าเราพิจารณาเป็นธรรมพิจารณาเผื่อละเผื่อถอนเื่อรู้เสื่อขสาใจ ตามสภาพความจริงจงของมันนามัธรรมก่ดแต่เวินาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งไ น, น่มีรูปร่างแล้วก็ทราบพอาการเหล่านี้มันเกิดมันมีอยู่ในตัวของตัวเมือ่อเรามีปติมีปัญญาเท่านั้นมันก็เห็นเรื่องของธรรมอยู่ตลอดเวลามันแสดงดีเั่วผิดถูกอย่างไรทรา เพราเรามีสติเรามีปัญญาเลยฟังธรรมะอยู่ตลอดการหมาว่านั่งหมาว่านอนไหว ย, ยืนแบบเดิมเหมือได้เมื่อหลับฟังธรรมะอยู่อย่างนั้นตื่นมากพี่เจนาธรรมะฟังธรรมะอยู่ <c oughs> ธรรมะกระชุกเอกขึ้นชันมากตั้งแต่วันเราเกิดในเคยลงจากชั้นมาก แวาจความเจ็บความตายมันแสดงอยู่ทุกระยะทุกเวลาที่เหลือปัญหาถึงมันเกิดขึ้นแสดงขึนขึนท่าม้านั่งท่ามานี่ไบนหัวใจของเราแสดงทุกโทษต่างๆมันก็แสดงออกไปเรื่อยๆความสุขความสบายความสงบเย็ยเยนเย็นมันก็แสดง <c oughs> แต่เราไม่ฟังทรมะ พระคุทัยเจ้าสาวกท่ผ่านฟังทรมะจะถึกอง์นี้มีปติกำหนดจิตกาหนดใจท้องตัวมันแสดงอาสับจิริยา่าทีอย่างไรทราบอุบายปัญญาถี่ละถี่ถอนถี่รู้ถี่เห็นเด่นชัดในจิตในใจทองตัวอย่างไรคงทราบถี่มันของจิตคิดตึง แต่ก่อนมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นพอมีสติตะอาขึ้นมามีปัญญาดีขึ้นมาจึงเหลนั้นมันจะมาหลอกเลียงเยื่อยๆอย่างไรจิตใจเคยหลงไหลเคยจิตคล่องหรือไม่ทันทราบข่าวมันยังจิตคล่องยั ง, งหลงไหลทีนี้ที่เจอมาเรื่อยไปเจอปัญญาก ก็สามารถตัดขาดจากความโงส่ไข่นี่คือฟังธรรมภายในดูภายในรักษาใจของตัวไม่อดเรื่องของธรรม <c oughs> ถ้าหากเราเป็นธรรมแต่เราไม่เป็นธรรมหรออดนอนเศร้าตำหรับตำลานอนเศร้าธรร ม, มะอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นธรร ม, มะให้เหมือนกบเฝ้ากอบัว แทนที่จะได้เกี้ยสอนในบึงยุ่มรถอย่างชึ้นอย่างไม่แรงผูนเอาไปไม่ได้เพราะมันมีปัญญาเฝ้าอยู่ตลอดเวลามันกลมไม่ได้อะไรหรือเหมือนมัดแดงฝ่อเม่าม่วงเฝ้าอยู่อย่างนั้นแหละใครไปแตะไปต้องไปขึ้นไปสอยนันก็กัดมันถิวว่ามันเป็น มะม่วงของมันกินของของมันแต่นั้นเคยไม่เคยเลยินเลยกินรสของมะม่วงนี่เราก่ทํารนองเดียวกันเราฝ่าวธรรมะก่อนธรรมะก่อนอันนี้ก่อนที่เหลือปัญหาก่อนอันนี้จึงทิ่คละนี่อยู่นี้จึงทิ่คนบำเพ็ญนี่อยู่นี้คนมีธรรมะคนมีสติมีปัญญา กวามสามารถที่จะเอาดีเอาดีจากรูปจากนามของตัวได้คนที่ไหนมีสติปัญญาไหนมีธรรมะในตัวทีงมีรูปนามเหมือนกันกับคนอื่นมันก็จะเกิดสาระประโยชน์อะไรให้เลยเหมือนกันกับบนแดงเส่าเป็นมะม่วงเนี่ยยิ้มรดผลมะม่วงสักทีนี่จะเฝ้าอยู่อย่างนั้น ให้เกิดสาราประโยชน์ให้มีเราจะเป็นประเทไหนต่างใจกำหนดทีนี้ทีเจรนาะให้เกิดธรรมะให้เป็นธรรมะจะมีเป็นคนอบอยากอยากจน <c oughs> ไนสถานที่ใดอยู่สถานที่ใดเห็นอะไรมีแต่ธรรมะเกิดขึ้นในจิตในใจไม่มีอะไรที่จะ ทำจิตใจให้หลงไหลเถิดเชิญรุ่มหลงไปต่างๆพอปัญญามีสตินี้จิตให่ดีสิตจิตโอกาสเวลาที่จะภาวนาโอกาสเวลาที่จะฝึกผมอะไรดังนี้ลมหายใจเป็นอยู่โอกาสที่จะล่จะถอนก็เพราะชีวิตมันยังมีอยู่ งานหมดกิเลสไปแล้วตัวงสาจะไปละจะถอนอะไรเพราะมนมีสิ่งที่จะละจะถอนงานเจบจิ้นไปแล้วงม้นตัวงสาจะไงานจะได้ทําอะไรงานมันหมดไปแล้วเสร็จไปแล้วอยู่ไรยยังมีงานทําอยู่อย่าไปอ่างการอ่างเวลากิเลสปัญหายังมีอยู่ทานยาใช้เถิใช้ปัญญา ดูแลรักษาใจทัองตัวถึงได้ที่เห็นว่าเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นทุกข์เป็นภัย <c oughs> อย่านำเข้ามาสู่กายสู่ใจทัองตัวถึงได้ที่มันเป็นคุณเป็นประโยชน์ทำผูกคิดไปแล้วมีความสุขความสบายความเ ย, ย็นเย็นตัวเองก่อ เนื้อตำแหน่เจือเอียงสูงวูดตัวไปก็ไม่สามารถที่จะตัแหน่งได้เนแต่สันลเสน์เฉินเฉยว่ามีความมีความเด่นมีสติปัญญาสามารถรักษาตัวของตัวเขางสันลายน์เสินสิ่งนั้นควรจะทําบําเพ็ญให้เต็มให้มีในกายวาจ่ายใจของตัว ธรรมะของโลกมันมีอยู่อย่างนี้ดีเขาเก่าสันละโสนชั่วเขาเก่านิพพานี่เป็นธรรมะของโลกถึงผู้รู้ผู้เข้าใจหมดที่เหลือแล้วท่านก็ยังระวังรักษาแทนที่ว่าเป็นโลกกวัชชะคือโลกทิเตียนทั้งๆที่ทิ้งนั้นมันเป็น ยิ่งอย่างไรโลกไม่สามารถที่จะทราบหรือเขา้าถึงได้ท่านจะต้องรักษาตามสมมติของโลกแต่ จ, จิตใจของท่านนั้นหลงไหลไฝ่ฝันยึดของหรือไม่ท่านจะทราบได้เฉพาะตัวของท่านนี่หมายถึงเรื่องธรรมะของโลกและจะต้องรักษาเพราะเราอยู่ในโลก สิ่งที่เนื้อโลกเป็นอย่างไรนั้นเราปฏิบัติใจใจของเราด้วยไปมันจะประสบพบให้เห็นให้เต็นให้เราขอใจไม่มีการสฉงใสว่าสิ่งเหล่านี้จะมีการเกิดอีกตาอีกด้วยไม่พบชาติต่อไปเราจะเป็นอย่างไรหมดสงสัยทุกสิ่งทุกอย่าง พอเราเห็นเราเป็นในตัวของเราเราจึงหายสงสัยแต่เราไม่เห็นไม่เป็นในตัวของเราจะบอกทใครมันก็ไม่ทราบมันก็ไม่เคยใจเพราะมันไม่เห็นในเป็นภายในแต่มันเห็นมันเป็นภายในหรอในนี้ใครบอกมันบอกมันเองเพราะทาเป็นสังขีติโก ทำจนปัจจัดตังหนูจิตผุนทุกยานตามอย่างรู้ว่าความผุนทุกของตัวมันก็เกิดขึ้นข้าใจขึ้นเต่นั้นการจะทำบาเพ็ญจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนผู้มุ่งหวังที่อยากจะเป็นทุกพยายามแต่ทำบาเพ็ญจุดอบรมรักษา จิตรักษาใจของตัวเดือนสติเดือนปัญญาอย่าเคยคิว่าการนั้นก่อนเวลานั้นเพี่งก่อนที่เลสมันเหนยอ่างการอ่างเวลาเรานั่งเรานอนมันก็เกิดขึ้นได้สัญญาอารมณ์ที่เกิดขึ้นจักใจถ้าเรามีสติทราบได้ถ้าเรามีปัญญาสามารถรักษาอันนี้เกิดขึ้นมา อันนั้นเกิดขึ้นมาจะเป็นธรรมะที่สอนจิตสอนใจปัญญาของเราจะ แ, แก้ไขอารมณ์สัญญานั้นก็เป็นเรื่องพอเราอีกจะทราบถ้ามันยังข่องยังจิตเราก็ทราบว่ามันยังข่องยังจิตคือปัญญายังไม่สามารถจริงจังมันจริงเป็นอย่างนี้ถา้าสามารถ ยิ่งจังแล้วอารมณ์ัญญาอะไรเกิดขึ้นมันก็แก้ไขของมันตกไปนี่คือการปฏิบัติธรรมะภายในส่วนกำลังกำลามันมากอย่างนั้นอย่างนี้ไม่สามารถที่จะจดจรทมตามได้ทุกสิ่งทุกอย่าง ดูภายในดูใจของตัวเองมันจัดแคบดูเชื่อมันเกิดขึ้นไปจากนี้นักฝมันเกิดขึ้นไปจากนี้ต้งดูภายในตำราใจนี่คือการปฏิบัติธรรมะการฟังธรรมะการอ่านธรรมะคืออ่านยิตอ่านใจของตัวเองให้ทราบทุกระยะทุกเวลาที่ อารมณ์สัญญามันเกิดขึ้นถึงในศาตร์อย่างอืนสาสตรแต่เรี่งสัญญาอารมณ์จิมันเกิดขึ้นในจิตในใจของตนนะใช่ปัญญาที่เจรณาแก้ไขแก้ไขจิตใจของตัวได้หายจากความจุกข้องใส่มองยึดถือ เรื่องเถวนี้มันกว่าดีกวิสิถึงจะอ่านไม่ได้เขียนไม่เต็มเรื่องของโลกไม่เต็มเรื่องของโลกไม่เต็นปัญหาหายใจหมดอวิชาตัญหาอุปาทานใจ้นใจจากโลกจากสงสารมันสุกมันสบายไม่มีอะไรที่จะก่อความจิตใจ ให้อยากให้ยุ่งอีกนี่คือการประพฤติปฏิบัติตามสัตย์แตทำที่พระพุทธเจ้าสอนมันเห็นมันเป็นมันดีมันเด่นมันประเยชน์ดีเสืแต่เราไม่เห็นไม่เป็นถึงเขาจะพูดอย่ามันดีดีเสื่อขนาดไหนเราก็ไมเ่เชื่อไม่เด่นใส ถ้าเราไม่เห็นมันเต็นในใจของเราแต่นั้นให้มันเห็นมันเต็มในใจของเราให้่มันมีเจ็บจิงที่ไม่าที่เน้นมาทบทับมาถมจิตใจอารมณ์สัญญาเสื่อมเสียต่างๆนานามันยึดเอาไว้คิดไปคิดไปแต่จะเลี่ยงจิดเลี่ยงข้องเลี่ยงใจเลี่ยงมองไม่มีปัญญาจิตจะละจะถอน ถ้าหากเป็นอย่างนั้นพวกโทษมันก็มากขึ้นจิตใจก็วุ่นวายหาความสงบสบายไม่ได้จอยู่ในที่สงบขนาดไหนใจมันก็ไม่สงบให้จะรับทานของอรสอร่อยขนาดไหนใจมันก็ไม่เป็นอาตเป็นธรรมพยายามดูใจของตัวรักษาใจของตัว เดี๋ยวสติเดี๋ยวปัญญาคนจิตรักษาใจทองตัวอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นธรรมะจะเกิดขึ้นปัญญาจะเกิดขึ้นจะหายสงสัยในจิตในใจทองตัวการปฏิบัติตามธรรมะของพระพุทธเจ้า คือปฏิบัติกายใจท่องตัวในต้องไปปฏิบัติที่อื่นในต้องไปดูที่อื่นชำระที่นี้บําเพ็ญที่นี้เมื่อทุกคนดูจิตใจท่องตนจงวันรักษาละเสี่ยวบำเพ็ญดีอย่างนั้นความสงบสุขความผนทุกที่เราปราถนาก็จะเกิดขึ้นการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรเสียเวลา ไปดูติดเนส่นนี้